ซึ่งครูของเราก็คือพระพุทธเจ้านันะ่นแหละนั่นก็เราเล็กถึงพระพุทธเจ้าอืต่อมาก็อาศัยมาเจริญกุศลอั่นี้ลถือว่าเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งในการกล่าวธรรมหรือการแสดงธรรมนั่นเองคำว่าธรรมเทศนาไมหน่บุญสําเร็จด้วยการกล่าวธรรมแสดงธรรมนั่น เราทั้งหลายก็ที่มาฟังหรือมาร่วมเรียนร่วมศึกษาก็ถือว่าบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมไไนั่นเองเพราะว่าพระศาสนาของเราจะเจริญได้คือศาสนาเนี่ยหมายถึงไตรสิกขาที่จะเจริญได้คือเจริญในจิตใจของเราเนี่ยนะก็อาศัยปัจจัยทั้งภายในทั้งภายนอกปัจจัยขั้ภายนอกก็คือการมาร่วมเรียนร่วมฟัง ปัจจัยภายในก็คือการไปเจริญไประลึกถึงไปเติกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะเป็นอนุสติในถ้าอนุสติที่เจริญงอกงามตรายสิกขาก็ค่อยๆเจริญมากยิ่งขึ้นดังนั้นการศึกษาของเราก็เพื่ออนุสติจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าผู้ที่เข้าใจอนุสติหรือตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้เท่าไหร่ นั่นแหละคือความมั่นคงในาศาสนาของเขามีเท่านั้นแล้วก็อยากให้เราทั้งหลายมีที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรยัยที่ระลึกถึงเมื่อไรก็เจริญงอกงามนั่นแหละระลึกถึงเมื่อไหรก็ก็อให้เกิดปีติและปรามโมทแบบที่พระองค์ตรัสว่าทรัพย์หรือรัตนะใดในโลกนะโลกนี้หรือจะในสวรรค์หรือที่ไหนก็ตามนะ ทรัพย์และรัตนนั้นเสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีเมื่อไรที่เราระลึกถึงพระพุทธรัตนะได้ก่อให้เกิดปีติปราโมทย์นะนั่นก็ถือว่าเรามีสาระมีที่พึ่งที่สูงที่สุดหลังจากนั้นต่อไปเราก็ค่อยละลึกถึงว่าพระองค์แนะนําอะไรเราไว้บ้างนนั่นพระองค์สอนเรายังไงพระองค์ต้องการอะไรพระองค์แนะนําอะไรเราก็ค่อยละลึกถึงคําสอนเหล่านั้น แล้วคําสอนเหล่านั้นก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามนะี่ไหมแทงตลอดธรรมะเหล่านั้นได้ที่เราเรียกท่านว่าพระสงฆ์เมื่อเราตามรละลึกแบบนี้บ่อยๆก็จะเห็นชัดว่าตรงนั้นคือที่พึ่งของเราเนะีนะ่ยที่เรามีที่พึ่งอันนั้นนําไปในเบื้องหน้านี่นะนะนะเป็นเครื่องกําจัดภัยให้เราแล้วก็ชีวิตของเราถ้าถ้าจะมอบให้แก่แก่ อะไรก็ช่างเถอะเราก็จะมอบให้สิ่งนี้นี่แหละวางัันแด ต, ตอนการถึงพระรัตนตรัยนี่ถือว่าเป็นสรณทที่ที่สูงสุดของพุทธศาสนิกชนของเราในยุคนี้การศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาคำสอนจริงแต่ว่าห่างพระรัตนตรยัยน่นะเพราะว่าคนขาดความเคารพในพระรัตนตรัยมากขึ้น บางคนก็บอกเขาจะเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวพระพุทธเจ้าเขาไม่เอาพระสงฆ์เขไม่เอาเขาจะเอาแต่ตัวธรรมะอย่างเดียวาบางคนก็เอาแต่เขาบอก เ, เอาแบบพระสงฆ์อย่างเดียวคือเอาแต่อาจารย์เขาอย่างเดียวนะคำว่าพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ที่ปฏิบัติตามคําสอนแต่ว่าหมายถึงอาจารย์ของเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในยุคนี้นี่เป็นยุคที่ที่คนจํา น, นวนว่าขาดแคลนพระรัตนตรยัย หรือว่าไม่รู้จักคุณพระรัตนตรัยมากที่สุดเนี่ยนะทั้งๆที่ว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าที่เรารู้ได้ด้วยคําสอนที่เรียกว่าปริยัติเนี่ยก็ชัดเจนแต่ว่าคนนี่จะเริ่มห่างเหินไปผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆก็โดยคุณสมบัติหรือคุณธรรมไม่ใช่อาจารย์หรอกเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในฐานะพูดแล้วคนเชื่อถือบุญเก่ามันให้ผลเนี่ยนะ ก็เลยอุปโลกตัวเองคิดว่าเป็นอาจารย์ที่แท้จริงจริงแล้วก็ไม่ใช่หรอกทีนี้ก็พอมีคนเคารพนับถือก็เลยดึงเข้าเหล่านั้นนห่างจากพระรัตนตรัยยิ่งยิ่งขึ้นไปมันหนักๆเข้ากลายเป็นว่าเป็นาศาสดาเองขึ้นมาใหม่เนี่ยนะพุทธบริษัททั้งหลายก็ก็ทำในนามพุทธบริษัทแต่ว่าโดยพฤติกรรมและเป็นกิจกรรมส่วนตัวเนี่ยนะ เป็นทิฏฐิของตัวเองซึ่งไม่ใช่ทิฏฐิในศาสนาอะไรในยุคนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วกตต็ต่อไปนี้ก็คนจะห่างพระรัตนตรัยยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกในที่สุดพระศาสนาก็หมดไปจากโลกพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ถือว่าอันตรธานไปนะพระองค์ได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกจนสำเร็จเนี่ยนะพุทธกิจที่พระองค์บาเพ็ญตลอด45า้าพันษา และคำสอนที่เหลือมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะคำสอนเหล่านั้นก็ช่วยให้สัตว์เนี่ยได้รับถึงประโยชน์จริงๆพระพุทธเจ้าก็ทำกิจอย่างบริบูรณ์คำสอนของพระองค์ก็สอนไว้อย่างดีเยี่ยมสอนไว้บริบูรณ์แล้วหมู่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามท่านก็ปฏิบัติตามตรัสรู้ธรรมะอย่างแท้จริงส่วนคนในยุคหลังๆที่ขาดความรู้ขาดความเข้าใจในคุณพระตนตรายก็ ห่างพระรัตนตรายกันไปเรื่อยสังเกตจากว่าที่กล่าวว่าห่างพระรัตนตรายเนี่ยนะคือถ้าใครกล่าวพุทธคุณกระถาเขาไม่ค่อยชอบฟังเนี่ยอันนี้ก็อย่างหนึ่งเป็นเครื่องบอกว่าเขาห่างพระรัตนตรยัยเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงความดีของพระธรรมแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบกล่าวความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เขาก็ไม่เลื่อมใสอันนี้เห็นชัดว่าเขาห่างจากพระรัตนตรายจริงๆ เนี่ยนะบางท่านเวลามีผู้กล่าวพระพุทธคุณอยู่เนี่ยนะกล่าวปัดดึงไปเรื่องอื่นเลยทันทีทั้งทั้งที่คำกล่าวนั้นเป็นการกล่าวชื่นชมคุณของพระพุทธเจ้าแต่เขาเนี่ยสามารถปาดหน้าปาดหลังแล้วก็ให้เปลี่ยนเรื่องได้ทันทีเลยเนี่ยนะให้เห็นว่าเขาเขาตกจากพระรัตนตรัยอย่างขนาดนั้นและก็เป็นที่น่าสลดสังเวชใจเป็นอย่างมาก อันในกลุ่มเราทั้งหลายที่มาศึกษายัางไม่น้อยที่สุดก็ให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเห็นคุณของพระรัตนตรยัยถึงเราจะปฏิบัติได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรให้เห็นคุณของพระรัตนตรายเอาไว้ให้มากแล้วก็ที่จะศึกษาตามเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจคุณพระรัตนตรัยนะขอให้คุณทําให้มากกว่านั้นอีกคุณก็จะไม่มีผล เหมือนอย่างว่าเหมือนอะไรเหมือนสมมติว่ากรุงเทพมันอยู่ทางใต้แต่เรานี่เบนรถเนี่ยไปทางเหนือถึงเราจะขับเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ใช่จะถึงกรุงเทพเร็วขึ้นใช่ไหมบอกโอโหเหยียบเร่งคันเร่งมากบอกฉันศรัทธา ม, มากฉันมีทุกอย่างมากฉันทุ่มเทมากแต่ว่ามันไปคนละทิศกันเมื่อไปคนละทิศนะก่อให้เร็วขนาดไหนก็จะหะ่างพัตนาตราไปเรื่อยห่างพัตนาตราไปเรื่อยในที่สุดก็จะดิ่งไปเนี่ยนะ ดิ่งทีนี้ถามว่าเมื่อเราดิ่งห่างคําสอนที่สุดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องชี้วัดมิช ต, ตะแปดเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรานี่ห่างห่างพระพุทธศาสนามากหรือห่างน้อยเนี่ยนะซึ่งจะขอเอามิช ต, ตะหรือสัมมะตะทั้งสองประการมาแยกให้ดูเนี่ยนะซึ่งเป็นเครื่องชี้หรือเป็นเครื่องวัดผลว่าเราจเจริญ ง, งอกงามในาศาสนาขนาดไหนเพราะว่า มิชะตะเนี่ยแปลว่าความผิดเียนะภาวะของความผิดคือคำว่าผิดในที่นี้คือผิดจากคำสอนที่จะทำให้พ้นจากทุกเนี่ยนะซึ่งมีอยู่8ประการานะบางแห่งก็บอกว่ามี10บางหนก็มี10ประการกับสัมมตะเนี่ยนะสัมมตะก็10อีกเหมือนกัน10หรือ8 ไอ้อระหว่างกลางนี่มันไม่ค่อยมีหรอกมันจะมีแตว่ามิชตะกับสัมมะตะนี่แหละถ้าสัมมะตะเนี่ยนะคืออะไรข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิอันนี้ว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมะตะนี้มีเนื้อหามีอัตตที่ที่ตรงตัวเลยนะ ไม่ใช่ว่าจะไปรู้อะไรก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหมดใช่ไหมแต่สัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมะตะัตตนี้มีเงื่อนไขว่าต้องรู้อริยสัจอย่างเดียวเนี่ยนะรู้อริยสัจซึ่งประกอบไปด้วยทุกขาริยสัจสมุทยอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วก็ขออภัยทุกขานิโรธอริยสัจ ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ท, ที่เรียกว่ามัจเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องวัดผลแต่ก็มีกลุ่มที่ดิ่งเนี่ยนะคือดิ่งห่างอริยสัจมากไปเรื่อยๆห่างไปขนาดไหนห่างไปจนว่าสิ่งที่ทําอยู่ไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกับอริยสัจสักอย่างเลยเช่นการไปปฏิบัติลัทธิตามความเห็นของตัวเองมัจผลนิพพานของตัวเองที่เข้าถึงเนี่ยนะ ที่ที่เป็นมิฉตะของกลุ่มนั้นๆก็จะอันนั้นก็จะเป็นมิชชาทิทิ ท, ที่การปฏิบัติอันนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอริยาาสัจอะไรเลยสักอยาก่างคืออริยาาสัจนั้นก็ต้องมีกิจของเขาใช่ไหมทุกก็ต้องปริญญาสมุทัยก็ต้องปหานะนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งเนี่ยนะมรรคก็ต้องเจริญซึ่งมรรคเจริญนี่คือการบําเพ็ญ ไต่สิกขาเ่นะการเจริญมักก็คือการบำเพ็ญไตยสิกขาทีนี้พอมิชะตะมากขึ้นน่ะมันก็ไม่เข้าหลักไตยสิกขาอะไรเลยมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปเ่นะเป็นนานๆเข้ามันจะห่างมันเหมือนกับว่าที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่งมงายก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างที่ที่หลายๆคนเขารังเกียจศาสนาในยุคนี้ เพราะว่ามีผู้ที่ดึงบุคคลให้ห่างพรัตนะตรายเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในโลกของความเพอ้อฝันสร้างเมืองนิพพานอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นลักษณะการมอมเมาซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะอันนี้ข้อแรกก่อนข้อสองที่เป็นสัมมัตะคือสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะ สัมมาสังกประซึ่งต้องมีสาประการจึงจะเรียกว่าสัมมาสังกประใช่ไหมคือหนึ่งเนคขมมะสังกประ2ออัพยาปาทะสังกประแล้วก็อวิหิงสาสังกปะอันนี้เป็นสังกปะที่ ถ, ถือว่าเป็นผลพวงมาจากสัมมาทิฏฐินี่ไงทีนี้นพ อ, อการมิ ช, ชะตะของกลมใหม่ก็จะเป็น มิตฉาสังกัปปะแทน น, นสัมมาสังกัปปะคืออะไรคือการตรึกเพื่อจะออกจากกรามแต่กลุ่มลทัทธิอันนี้จะสอนให้ตั้งความปรารถนาเพื่อกามนน่คือคำสอนที่เป็นสัมมาสังกัปปะเพื่อจะให้เห็นโทษเห็นภัยของกรรมใช่ไหมเพื่อออกจากกราม แต่ถ้าพื้นฐานมาจากมิจฉาทิฏฐิโดยมากจะตั้งว่าเมื่อคุณเข้ามาในในสัต ส, สายของฉันคุณจะบริบูรณ์ด้วยวัตถุกรรมเนี่ยนะก็จะจะเอาเรื่องกรรมมามาเป็นที่มาถือว่าเป็นเป้าหมายใช่ไหมแล้วก็เมื่อไม่นานเนี่ยไปดูเข้าเข้าฉายภาพณนะวัดแห่งหนึ่งมีคนไปขโมยพระพุทธรูป ทั้งอุบาสกอุบาสิกาในวัดทั้งหมดเนี่ยนะมาร่วมกันจุดหุ่นเผาเผาทาหุ่นไอโจโนเนี่ยมาเผาเผาเสร็จแล้วก็ช่วยกันสาบช่วยกันแช่งให้โจนนั้นตกนรกหมกไหม้แล้วแต่จะสาบแล้วแต่จะแช่งขึ้นถามว่าอันนั้นคืออะไรคือพยาบาทสังกัปปะอย่างเต็มที่เดี๋ยนะก็คื อ, คอล่วงกรรมบททั้งหมดเลยนะกิจกรรมอันนั้นเนี่ยล่วงกรรมบทเท่ากับปานาติบาเลย มีโทษพอๆกับปานาติบัตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มิจฉาสังกปะนี่ก็แรงมากมีกําลังมากและที่ติดตามมาอีกมิจฉ ะ, ะที่เห็นชาติอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่สามก็คือที่ถูกต้องควรเป็นสัมมาวาจาแต่ผลที่ออกมานะถ้าห่างคือมิจฉาวาจาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเมื่ออยู่ในกลุ่มของมิจฉาทิฐิที่มันห่างขึ้นนะ สรุปแล้วหา่างไตรศิกขานนะว่าโดยรวมๆนะจะไม่เป็นไปตามศีลไม่เป็นไปตามสมถะที่พระพุทธเจ้าสอนจะไม่เป็นไปตามหลักวิปัสนาจะไม่เป็นการเจริญเพื่อรู้แจ้งอริยสัจอะไรก็จะเป็นการเข้าสู่โลกที่มอมเมาอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าลับที่ที่เผยแผ่ไอ้ทิฐิอันนี้คือาศาสดาอีกคนหนึ่งเห็นไหมเข้าเข้าเป็นาศาสดา เป็นเจ้ า, าศาสดาของทิฐิอันนั้นเนี่ยนะก็เป็นกลุ่มอย่างในพรมะมารยาสูตรแสดงไว้62ลทัทธิอันนัน้อันนั้นเป็นกลุ่มลทัทธิใหญ่ๆแล้วก็แบ่งย่อยมาจากกลุ่มเหล่านั้นมาอีกตามสมควรเนี่ยนะนั่นแต่ว่าสัมมาทิฐิที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยนะหรือสัมมามัติที่เรียกว่านาวาพระองค์ใช้คําว่านาวาเพราะว่าตัวนี้นําออกจาก กองทุกจริงๆเนี่ยนะตัวอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดนะคือสัมมตาตาข้อที่ควรทําความเข้าใจะนะสัมมาวาจานี้ต้องมี4ประการใช่ไหมอ่า น, นะเป็นคําพูดที่ไม่ใช่วัจจิทุจริต4ข้ อ, อคําพูดนั้นเป็นสัมมาวาจาก็คือพูดตามไหนพูดตามสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในพระไตรปิฎกใช้คําว่ามันตะพาณีคือพูดด้วยปัญญา เนี่ยนะพูดตามบัญญัติก็คือพูดตามหลักของอริยสัพน์นั่นเองแล้วก็สัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนสัมมาวายามะคือสั ม, มาประานสี่สัมมาสติคือสติประานสี่เนี่ยนะสัมมาส ม, มาธิคือฌานสี่ทีนี้ถ้ากล่าวว่าสัมมาสติเนี่ยนะคือสติประานสี่ใช่ั้ย คือสติปทานสี่นะถ้าเราเอาอย่างที่เราเรียนเนี่ยคือสติปทานสติปทานทั้งสี่นี้ประกอบไปด้วยกายถ้าใช้คำว่ากายนี่เราคิดถึงอะไรเนี่ยนะถ้ากายนะถ้าตามสติปทานต้องมีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกเป็นผุ้ยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะ การที่สติไปตามใครครวญตามคําสอนเหล่านั้นชื่อว่ากายานุปัสนาถ้าเวทนาต้องเป็นเวทนา9้าแล้วไปใครครวญตามอนุปัสนาทั้งหลายอันนั้นเป็นเวทนานุปัสนาถ้าจิตละ่ะก็จิตสิบหกมาใครครวญเนี่ยนะโดยอนุปัสนาทั้งหลายก็เป็นจิตานุปัสนาหรือธรรมะหตั้งแต่นิวรนเป็นธรรมที่ควรละขันอายตนะเป็นธรรมที่ควร ปริญญาคือรอบรู้พ่ชองเป็นธรรมะที่ควรเจริญส่วนอริยสัจก็ น, นะทั้งที่ควรรอบรู้ควรละควรทำให้แจ้งและควรเจริญถ้าไม่เป็นไปตามหลักอันนี้นะให้รู้ว่าเราเจริญในสิ่งที่มันตรงกันข้ามถ้าตรงกันข้ามอย่างนั้นนะแปลว่าเราห่างพระศาสนาจริงๆงนะเนี่ยนะนั้นก็ให้ให้เราพยายามศึกษาแล้วก็พยายาม จเจริญพระพุทธคุณเอาไว้ให้มากๆเนี่ยนะแล้วเราก็จะได้เข้าเข้าถึงว่าสิ่งที่เราเจริญเราศึกษานี้ไม่ห่างไปจากคําสอนอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันถ้าห่างจากคําสอนเอ่อหรือเราไม่เข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้สิ่งที่พระองค์สอนหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่พระองค์สอนเมื่อไม่เข้าใจเราก็จะห่างมากขึ้นห่างมากขึ้นก็ตกจากพระรตนาตรายไปถ้าตกจากพระรตนาตรายไปนะ ก็จะเป็นกลุ่มที่เฝ้าวัตตะเนี่ยนะคือกลุ่มที่เฝ้าขันห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ในฐานะวันนี้วันครูนะขอให้เราระลึกถึงครูที่เป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็เจริญว่าพระองค์นี่สอนอะไรพระองค์ต้องการอะไรก็เอาเอ า, เอาตรงนั้นเนี่ยมามาคิดให้มากๆของมาก็ยังไม่ลืมว่ายังมาทำว่ามาเรียนร่วมกันอยู่ดีเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนสอนไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรามาสอน สัมมาญาณะกับสัมมามิจฉาญาณะกับมิจฉาวิมุตต์มิจฉาญาณนะคือรู้ผิดมิจฉาวิมุตต์คือบรรลุผิดคือไม่ได้บรรลุหรอกแต่สําคัญว่าได้บรรลุเห็นไหม มิจฉาญาณก็คือรู้ผิดมิจฉาวีมุตก็คือบรรลุผิดหรือพ้นแบบผิดเนี่ยนะบรรลุผิดมันเป็นยังไงก็คือบรรลุแล้วมันไม่ได้พ้นทุกจริงก็บอกว่าเห็นเห็นแก้วเป็นเพชร มาเข้ า, าสติปฐานของเราต่อเลยนะสังยุตนิกายขันธวรวัชยมกสูตรเนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหน้าสองร้อยห้าสิบสี่เป็นพระสูตรที่เอาไปกล่าวอ้างทั้งผิดทั้งถูกมากเนี่ยนะสูตรนี้ สูตรนี้กลุ่มที่กล่าวว่านิพพานโดยอํานาจของศาสตทิฏฐินี่จะเอาสูตรนี้มาอ้างเนี่ยนะที่กล่าวว่านิพพานเนี่ยเป็นแดนแห่งหนึ่งที่ไปเสวยเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ใดที่ถือว่าพผ่ารหันตายแล้วไมจ่จุติเสร็จแล้วไม่ปฏิสนธิอีกถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เอาสูตรนี้ไปอ้าง ้เขานะมีบางแห่งบางกลุ่มถือว่าพราดอรหารตายแล้วเกิดอีกอนะคือผู้ที่สมมติมว่าอย่างพระสารีบุตรเหมือนกันเถอะท่านจุติแล้วที่เราเรียกว่าปรินิพานนะท่านมาเกิดใหม่อีกได้ถ้าท่านปรารถนาเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นก็ก็โดยทั่วไปเขาจะเอาสูตรเนี่ยมารับรองว่าไอ้ที่เขาเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องอายะมกกะสูตรมาอ้างซึ่งเรามาดูว่าตัวสูตรนี้เป็นยังไงเนี่ย น, นะ พระอรหันต์ตายแล้วศูนย์หรือว่าตายแล้วเที่ยงยามินิตพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์หรือเที่ยงอ๋อไม่ใ ช, ใช่ทั้งสองผู้การนะ้การพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์หรือเที่ยงอ๋อเหมือนอาจารย์มินิตเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคืนนัไอ้ไม่ใช่ทั้งสองนั่นมันต้องอธิบาย คุณบุญชูพระทหารตายแล้วตายแล้วศูนตายแล้วศูนหรือหรือตายแล้วเกิดอีกไม่เอาทั้งสองอย่างอีกนะนะเตรียมเตรียมทําหลุมไว้ไว้ตัวเองแล้วนะตังเกตตอนโอ้โหแล้วแล้วเป็นยังไงต้องอธิบายแล้วครับในให้ผู้การท่นนั่อธิบายมันเป็นยังไงสรุปแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงว่าพระทหารตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดอีก เอาแสดงไม่ได้ไปทำการบ้านเลย <c oughs> คุณพภาปลาหันตายแล้วศูนย์ น, 4, น, 2, นยู่ <c oughs> นที่งแล้วคุณน้องอ่ะคุณน้องว่าไง เหตุหมดปัจจัยน้วหมอยุพินเ น, นี่นยอสททืส ร, อยยสรุปแล้วยังไงอะ่ะสรุปแล้ ว, ลวอ๋อเป็นอนะไรดังอ๋อเพราหมดตันหา แล้วคุณอาเรีย่ยคุณอะไรคิดว่าคงไม่เกิดอ่าพระรหันต์ตายแล้วศูนยไงตายแล้วไม่เกิดอีกนะเนี่ยเรา ม, ดมาดูยมกษัตริย์สูตรนะยมกะสูตรนี้ถ้าศึกษาไม่ดีนะอ่อจะจะเป็นทั้งมิจฉาทิฏฐิง่ายมากเพราะว่าก็ไปเถือว่าพระรหันต์เนี่ยอาศัยสูตรนี้ว่าพระรหันต์เกิดอีกนะเนี่ย สมัยหนึ่งท่านทศารีบุตรอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแหลยมกาภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ขึ้นเนี่ยนะปาปะทิฐิหรือทิฐิที่เป็นอกุศลเนี่ยนะว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขีณาศพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกเนี่ยนะอันนี้เป็นมิจฉาทิฐิ ภิกษุหลายรูปได้ฟังแล้วก็ได้กล่าวว่าได้ยินว่าท่านยมกะภิกษุเนี่ยเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกภิกษุเหล่านั้นก็ไปถามไปถามพระยะมะกะว่าท่านมีทิฏฐิอย่างนี้จริงหรือเปล่า พญมกะก็บอกว่าอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสยมกะท่านจะได้พูดอย่างนั้นท่านจะได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการ เ, เพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดสูญย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอย่างนี้นะ น, นะไม่ได้ใช้พยันชนะแบบนี้เลยใช่ไหมว่า พระขี่นาศพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกเนี่ยอันนี้คือประกาศบ่งถึงอุดเชททืท่ทิฐิเต็มเต็มเลยนะท่านพ ย, ายามกะเมื่อถูกพิสูจน์เหล่านั้นกล่าวแม้อย่างนี้ก็ยังคืนกล่าวถึงทิฐิอันชั่วช้านั้นอย่างหนักแน่นอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขี่นาศพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีก ย้อนให้ดีเห็นไหมย้อนให้ดีๆมาคิดนะที่คุณนงว่าเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องเห็ยนยหมคือเอาเนี่ยนะความเป็นพระอรหันต์อยู่อยู่ที่ไหนเอาใครคือพระอรหันต์ใช่ไหมใครคือพระอรหันต์คุณชูศรีใครคือพระอรหันต์ ผู้ที่หมดจากกิเลสเป็นยังไงศูนย์จากกิเลสกกเลอ่ะว่าเปนั่นอีกตอนแรกๆ ก, ก็ชักดีนะนะใครคือพา <c oughs> <c oughs> ครหันเออในในโลกนี้จริงๆนะในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าทุกอย่างคือขันห้า อันนี้คือคือหลักการของเราไนงะเอาใหม่นะทั้งหมดเนี่ยคือขันท่าหรืออายาตนะสิบสองเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าซึ่งประกอบถ้าขันท่าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเนี่ยนะ ถ้าเป็นอายตนะก็ประกอบไปด้วยจักสุกับรูปโสตะกับเสียงคานะกับกลิ่นชิวหากับรถกายกับโพธพะแล้วก็มโนโกับธรรมะเนี่ยเอ่อ นี้รูปเนี่เกิดจากปัจจัยใช่ไหมเวทนาก็เกิดจากปัจจัยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยไอายตนะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจกักรโสโสตคาณนะมโนทั้งหลายอายตนะทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติที่เกิดจากปัจจั ย, นนนยเนี่ยไทีนี้พญมากะเนี่ยไปสําคัญขันห้าอย่างนี้ว่าเป็น เป็นสัตว์ก่อนเนี่ยนะคือรัฐที่ของเขาคือรัฐที่อัตตาคือเขาสำคัญว่าทั้งอย่างเนี้ยในเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นอัตตาก่อนเนี่ยนะคือเข้าใจว่าไอ้ความเป็นภารหันคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคือไปขยายมองเป็นสัตว์เนี่ยนะพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสัตว์ก่อน เมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสัตว์บอกพาสาหารตายแล้วไม่ไม่เกิดอีกเนี่ยนะเหมือนสำน ว, นวนว่าเหมือนกับคิดถึงคนคนแล้วตายตายแล้วสรุปมันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเนี่ยนะจะตั้งคำถามว่าคนตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกคำถามแบบนี้ไม่ควรตอบเนี่ยนะไม่ต้องไปตอบว่า เท่ากับถ้าเป็นโบราณนะโบราณเขาใช้คําว่าอัตตาและหรือโลกเนี่ยสรุปมันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเห็นไหมอันนี้คือคําถามลักษณะเดียวกันว่าอัตตาและโลกเนี่ยสรุปว่ามันเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกตายแล้วตอบอยังไงก็ตอบผิดทําไมจึงผิด เพราะว่ามันคนถามเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งกเรกคือคือคนคนที่ถามเนี่ยหรือคนที่มีทิฏฐิอันนี้ไม่ได้เข้าไปแยกอ่ไม่ได้เกิดการแยกแยะเลยว่าไอสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันคืออะไรก็ไปมองเป็นแท่งทึบไปหมดเลยนะคณะสัญญาเนี่ยเต็มที่เลยหรืออัตตะสัญญานี้ก็เกิดก็ไปคิดถึงเรื่องว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นฐานธรรมดาแบบนี้นะ คนที่คิดในลักษณะนี้ว่าอา้าคนคนนี้คือพระอระหันต์อย่างเงี้ยเอาสรุปแล้วท่านตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเนี่ยนะคืนนี้คือรับที่เดียวกันสามคำเลยนะหนึ่งท่านพามกษัตรใช้คำว่าพระอระหันต์พวกเราเรียกว่าคนโบราณเขาเรียกอัตตาและโลกสรุปแล้วมันอ่มันตายแล้วเกิดอีกหรือศูนย์เนี่ยนะ ทั้งก็ไม่ควรไปเดินตามเหล่านั้น